ให้ความดีงามในจิตใจบุคคลออกมาเป็นปฏิบัติการเกื้อสังคมเรื่องความสุขของสังคมยังไม่จบเมื่อกี้ได้หันไปพูดถึงหลักธรรมที่เป็นสาระของการจัดระบบสังฆะแล้วทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของเครื่อขัดอีกที่จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังฆะของพระ หรือสังคมของชาวบ้านในขั้นพื้นฐานแท้ๆคือลึกลงไปในจิตใจก็ใช้ฐานทางคุณธรรมชุดเดียวกันคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือเรียกรวมว่าพรห ม, มวิหารสี่นั่นเองแต่บนฐานทางนามธรรมในระดับจิตปัญญานั้นเวลาจัดออกมาเป็นระบบปฏิบัติการทางสังฆและในสังคม ก็ต้องเป็นหลักธรรมอีกระดับหนึ่งซึ่งนําไปใช้กับเรื่องสมมุติได้นี่ก็หมายความว่าสารานิยธรรมหกของพระที่ว่าไปแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานทางจิตปัญญาของหลักพรมวิหารสี่แต่ทีนี้สำหรับสังคมของโยมจะจัดตามหลักสารานิยธรรมของพระก็ยากจะไปได้ไหวอย่างข้อสีที่ว่าไปแล้วคือสาธาณโภคี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 แต่เอามาพูดเหมือนอย่างเป็นหลักขั้นปฏิบัติการในสังคมแล้วตัวเองก็สับสนและพาคนอื่นให้งงและไข้เขวไปด้วยดังในกรณีของด็ตอร์โจเซฟแอลสตันจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาที่มาทำงานในเมืองไทยเมื่อ38ปีมาแล้วคือเมื่อปีคริสตศักราช 1,962 ตรงกับพุทธศักราช 2,505 ตอนตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มาเป็นนิดาท่านผู้นี้ได้เขียนวิเคราะห์สังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาไว้ในหนังสือ Problems of Politics and Administration in Thailand โดยอ้างใน Albert s c ต w e i เซอตอนหนึ่งว่าในสังคมชาวพุทธนี้ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าทำความดีก็ไม่ต้องไปทำอะไร เพราะมีความหมายแค่ว่าไปนอนแผแ่เมตตาอยู่ในมุ้งอันนี้แปลจับความให้เข้าใจง่ายๆไม่ใช่แปลคาต่อคาในกรณีนี้ก็น่ามองว่าคนไทยเองคงประพฤติไม่ถูกทำทำให้เขาเห็นแล้วพลอยเข้าใจผิดเลยเถิดไปคนไทยจึงควรเข้าใจธรรมให้ถูกต้องแล้วแก้ไขตัวเองตอนนี้จึงขอทำความเข้าใจเมื่อกี้บอกว่า บนฐานทางจิตปัญญาของหลักพร ม, มวิหารก็ออกมาเป็นหลักปฏิบัติการในสังฆะได้แก่หลักสารานิยธรรมหในสารานิยธรรมนี้จะเห็นชัดว่าเมตตาไม่ใช่แค่แช่อิ่มอยู่ในใจแต่ออกมาสู่การปฏิบัติเป็นเมตตากายกรรมคือการกระทำทางกายที่มีเมตตาหรือกุลีกุจอช่วยเหลือร่วมมือด้วยเมตตา เมตตาวาจีกรรมคือการกระทำทางวาจาที่มีเมตตาหรือพูดด้วยเมตตาและเมตตามนโนกรรมคือการกระทำทางใจที่มีเมตตาหรือคิดการต่างๆด้วยเมตตาทีนี้ในสังคมของโยมบ้างเมตตาเป็นต้นในหลักพรห ม, มวิหารนั้นจะออกมาเป็นหลักขั้นปฏิบัติการเรียกว่าอะไรก็ต่อไปเสีเลยว่า คือหลักสังคหวัตถุสขอทวนความหลังนิดหนึ่งว่าตอนแรกเราพูดถึงทานในชุดพัฒนาตัวเองคือบุญญากริยาวัตถุสาเป็นทานศีลภาวนาทีนี้มาเป็นชุดปฏิบัติการในสังคมของสาขารชนคือชาวบ้านทั้งหลายก็ได้แก่สังคหวัตถุสสังคหวัตถุสซึ่งเป็นหลักการสงเคราะห์ หรือหลักยึดกลุ่มสังคมคือทานปิยวาจาอัตจริยาสมาณตาตานี่แหละเป็นชุดออกสังคมที่คู่กับชุดในใจคือพร ม, มวิหารสี่ซึ่งเป็นธรรมประจำใจของพรมหรือธรรมประจำใจอย่างประเสริฐได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลองจับคู่สิเป็นชุดมีสีเท่ากันแต่ไม่ใช่แค่นั้น ก็เอาฝ่ายปฏิบัติการตั้งสังหาวัตถุข้อที่หนึ่งทาน 1. เขาไม่เดือดร้อนอะไรก็เผื่อแผ่ให้ไปให้เพื่อแสดงความรักความปรารถนาดีเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารีนี่คือทานด้วยเมตตา 2. เขามีความทุกข์เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปให้เพื่อช่วยเหลือ นี่คือทานด้วยกรูนา 3. ามเขาทำความดีสร้างสรรความเจริญงอกงามของสังคมเช่นเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีก็ไปให้เพื่อให้กำลังส่งเสริมนี่คือทานด้วยมุทิตาต่อไปสังหาวัตถุข้อที่สองปิยะวาจา 1. อยู่กันตามปกติก็พูดด้วยความรักความปรารถนาดี พูดจาสุภาพอ่อนโยนนี่คือปิยะวาจาด้วยเมตตาสองเขามีทุกข์มีปัญหาชีวิตก็ไปพูดปลอบโยนแนะนำบอกวิธีแก้ไขปัญหาให้กำลังใจนี่คือปิยะวาจาด้วยการุณาสามเขาทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ไปทำบุญทำกุศลก็พูดอนุโมทนาชวนกันส่งเสริม นี่คือปิยวาจาด้วยมุทิตาต่อไปสังคาวัตถุข้อที่3อัตตาจริยา 1. อยู่กันตามปกติก็ทำประโยชน์แก่เขาช่วยออกแรงทำนั่นทำนี่ให้ด้วยความรักความปรารถนาดีนี่คืออัตตาจริยาด้วยเมตตา 2. เขามีความทุกข์เดือดร้อนตกน้ำไฟไหม มีงานใหญ่เหลือกําลังต้องการเรี่ยวแรงกําลังช่วยเหลือก็ไปช่วยให้เขาพ้นทุกพ้นปัญหาด้วยเรี่ยวแรงกําลังกายหรือกําลังปัญญาความสามารถนี่คืออัตจริยาด้วยกรนาามเขาทําความดีหรือบําเพ็ญประโยชน์กันเช่นมีงานวัดก็มาช่วยจัดเตรียมการต่างๆส่งเสริมการทําความดีนี่คือ อัตจาริยาด้วยมุทิตาภาคแสดงออกหรือปฏิบัติการจะต้องขึ้นมาที่สังคหวัตถุอย่างนี้จะมัวไปพูดอยู่แค่เมตตากรุณามุทิตาไม่ได้เพราะเราเองคลุมเครือนี่แหละฝรั่งจึงว่าเอาได้ก็สมที่เขาว่าไม่ต้องไปด่าเขาแต่ควรชี้แจงให้เข้าใจต่อไปสังฆหวัตถุข้อสุดท้ายสมานตตา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 มีความเป็นธรรมแล้วก็ทำตนให้เสมอสมานเข้ากันได้จะเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังฆะวัตถุนี้ก็จะสร้างความสุขขึ้นได้ในสังคมพร้อมทั้งทมสังคมให้สามาคัคคีซึ่งเป็นความสุขของสังคมเป็นบรรยากาศที่เอื้อให้แต่ละบุคคลอยู่เป็นสุขและก้าวไปได้ด้วยดีในกิจหน้าที่และการพัฒนาชีวิตของตน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 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจึงเป็นไปในลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมไว้เป็นคู่กันคู่ที่หนึ่งคือไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อมาคู่ที่สองว่าทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนคืออัตตถะประโยชน์ผู้อื่นคือปรัตะหรือขยายออกไปเป็นสามก็ได้เป็นอัตตะะประัตะ และอุปยัตตะคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแต่โดยมากท่านแบ่งแค่สองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น2 อ, อย่างนี้จะมาคู่กันเสมอขอให้สังเกตไว้ก็ยกเอามาเน้นให้ตระหนัก